กฎอิทับปัจจะตาหรือหัวใจปฏิจจสุบาทในกรณีของกฎอิทับปัจจะตาและปฏิจจสุบาทนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้นำสองบทนี้มาเป็นบทสวดมนต์ทุกวัน เพราะเมื่อพระตถาคตอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์ก็ยังพึมพำนะพระองค์ก็ยังสวดพระองค์ยังสาธยายกฎอิทัปปัจจยตาและสาธยายปฏิจจสมุปบาทนะตัวกฎอิทัปปัจจะตานั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีคุณสมบัติคือ มันเป็นตาถาตามันเป็นอวิตฐาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นตัวตาถาตาหมายถึงความเป็นเช่นนั้ええนเองอวิตฐาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนันยตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและอิทัปปัจจะตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นพระองค์จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ซึ่งอิทับปัจจิตานั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมบาตนั่นเองอิมัตสมิงสติอิทังหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุ ป, ปาธาอิทังอุ ป, ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติ อิทางนา่โโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายะตะนะเพราะมีสลายะตะนะเป็นปัจจัย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 โสกะปริเทวะทุกขโทมัตอุปายตสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว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 โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายะสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้